อาคารของหลวงตาช่วยชีวิตที่วัดถ้มบางเตยของพระอาจารย์คลาดมีการตั้งสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนซึ่งเป็นประโยชน์มากผู้ประสบภัยที่ได้รับความเมตตาจากหลวงตาต่างทราบซึ้งใจมากนอกจากได้รับข้าวของประทังชีพแล้วยังได้ธรรมะของท่านมาดับทุกข์ดับร้อนทางใจได้รับความเย็นใจ ที่ท่านแผ่ไปให้ด้วยซึ่งอันนี้สําคัญมากเมื่อเราได้มีโอกาสกราบหลวงปู่คลาดท่านได้เล่าให้ฟังว่าที่เกาะพีพีที่เราไม่ได้ไปด้วยตัวเองหลวงตาท่านได้เมตตาสร้างอาคารสูงสามชั้นให้กับโรงพยาบาลพีพีตามที่โรงพยาบาลได้ขอความอนุเคราะห์จากท่านผ่านมาทางหลวงปู่อาคารนี้ช่วยชีวิตคนไว้ได้ถึง200ชีวิตจากการหนีคลื่นยักษ์ขึ้นไปอยู่บนชั้นที่สาของอาคารนี้ หลวงปู่คลาดท่านเมตตาเล่าต่ออีกว่าหลังเกิดเหตุท่านได้ไปที่เกาะพีพีเพื่อตรวจอาคารนี้ก็ไม่พบความเสียหายใดๆเจ้าหน้าที่ทุกคนปลอดภัยและยังได้ช่วยชีวิตนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวเกาะในวันนั้นไว้ได้อีกด้วยหลังจากนั้นหลวงปู่คลาดก็พาคณะเราไปสมทบกับคณะที่โรงทานสีไทยใหม่ที่ท่าอากาศยานภูเก็ต